เราเกิดมากับสิ่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลของเป็นไปยังไม่มีความจริงเข้าแทกเสียงจิตใจได้ใจจึงปลอมทั้งดวงซึ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจึงปลอมไปตามๆไปความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไหนทั้งอดีตปัจจุบัน อนาคตทั้งทางนิ้ต่างตาทางจมูกทา ง, าทา ง, ทางลิ้นทางกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใเมื่อแน่ตั้งแต่ลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปฟอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นอยูหลังร้านน่ถูกของปลอมปิดไว้อย่างนิ่งคิดอีกด้วย จรงไม่สามารถแสดงตัวได้เพราะฉะนั้นนี่ละท่านประกาศสอนธรรมว่าสัจะทําเป็นของจริงทั้งๆที่ได้ยินว่าสัจธรรมเป็นของจริงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทําเป็นของจริงนั้นมันก็กลอมอยู่อืกลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จริง อะไรจะกินก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมแล้วมันจะปรอมไปตามๆกันหมดพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั่นจะกลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากสิ่งปลอมๆอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้นมาได้อย่างไรการริ้วฟื้นการขุดคน้นการปลดเปลื่องการแก้ไข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 เบาด้วยความพอใจที่จะทํานกิจการนั้นๆัจิดหนักนั้นนะไม่ยกอะไรมนะันก็หนักตามธรรมชาติของจิตเขาติเลศเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอยากจะทําอะไรนี้ที่เกียดทาํทาเสียเนี่ยทั้งๆที่ในขณะนั้นมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยคิดว่า ง, งานนั้นจะหนักงานนี้นจะลาําบากไปเสียคือความคิดเนี่ยมันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทํากิจการมันนั้นไปได้ การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรอาศัยความบึกบึนการเหตุกลางผลไว้แล้วอ่านตามเหตุตามผลเรื่อยพยายามบึกบึนหรือเกี่ยวกับการตามเหตุผลนั้นจะยากลำบากแตไงก็ตามเผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเหตุเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเต็นที่ต้องแจกสำหรับ ผ, ผู้มุ่งความจริง แล้วก็พยายามดําเนินไปนั้นอย่างพระสาวกดุคูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่และองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่อนามให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชามาโดยลําดับจนกระทั่งปัจจุบันบนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฝื้นอุปสรรคและความลําบากลําบนมาเยอะจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดนแต่พีย อ, อย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่าน ในครัง้งพุทธการก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธานเป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลำบากทุกสิ่งท้กอย่างถึงขั้นสลบกลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานหรือเป็นแบบเป็นฉบับาอันดีแก่บรรดาลูกศิษเวลาท่านน้อยฟังแล้วเปิดความโสดสังเกตจนนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแค่แต่จะสัมผัส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 เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นําเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดําเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้หน่าอาชจรรย์บางทีน้ำตาร่วงคือสงสารท่านท่านดํานนเนินปฏิปทาเข้าไปในป่าในเขาแต่ก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตาม ทางด่านพวกโถงช้างกังคืนเสียงตุมนปังตุงปังมาท่านกดทนคิดดูทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่จะมีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยๆต้นไม้ไมบหญ้าที่ใช้เกิดความชุ่มยืนดึมจิตดึงภาณจิตในใจมันก็ไม่มีคมมันมาก การประกอบความภักเพีอนก็เป็นความไปด้วยความสะดวกสําหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างนั้นอยู่แล้วการขบการฉันการพักอยู่อาศัยนี้จะให้เป็นความสะดวกสบายไม่มีหายากเป็นที่แต่เพราะท่านไม่ได้สนใจกับความเป็นเช่นนั้นท่านสนใจต่ออรรถธรรมและจะยำบากยำบากยากเย็เนทั้งหลายต่างท่านก็พอใจที่จะอยู่พอใจที่จะไปพอใจที่จะขบจะฉันในสิ่งต่างๆที่ เป็นเป็นปัจจยเครื่องอุ่นนธาตุขันนี่พอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจัเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความทะยอทยานให้มากขึ้นกว่านั้นไปท่านจริงอยู่ด้วยความผาสุกเย็นใจบาเพ็นสมณะธรรมด้วยความสะดวกกายสบายจัจบางทีแม้ฉันทหารก็มีเพราะไม่พบหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจาร์เนี่ยเพราะเคยอดมาแล้วนานไม่ฉันทั้งหลายวันก็เคยมาแล้วหบเียงวันสองวันที่ไม่ พบบ้านผู้บ้านคนเป็มีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดเอาหมดจะปัญหาแล้วนี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลำบากความหิวความโหยที่ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินังกรมไปทั้งวัด น, นกําหนดพิจารณาอัดพิจารณาทําไปเรื่อยๆถึงที่ไหนคนจะพักก็พักคนจะนอนก็นอนไปบ้านใปที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ำมีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการมันเป็นพนักงานทำก็อยู่ที่นั่นเสีย บ า, บางแห่งก็สามเดือนสีเดือนก็มีแล้วแต่ความสะดวกในการบาเพ็ญบางแห่งก็เดือนนึงก็มีบางแห่งก็บกรรมฐานเลยก็มีนี่เป็นความลาบากเพราะคนสมัยที่ท่านทเที่ยวกับกรรมฐานนั้นรู้สึกจะไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติการดําเนินของท่านและการความเป็นอยู่ปุวะของพระกรรมฐ า, านเลยเราจะเห็นได้ในที่บางแห่งที่ฉันเล่าให้ฟัง พ่าเขาไม่เคยเอากลับอะไรใส่บาดเลยท่านน่ะนอกจากเขาจะมีกล้วยเขาต้องไใส่ริ้วเกลมันเขาไม่จะใส่ถ้ามันมีนั้นเขาไม่ใส่เขาคือว่าเกรรมฐ า, านท่านมาชันนู่นชันน่ชนจ่ามัยฉันจะ่ถั่วเป็นงาเขาไหว่านั้นถั่วงาเขามีเพราะเขาทําไรนี่มีถั่วมีง า, าเราะมาให้ชันชันไปอย่างนั้นแหละท่านน่ะไม่เป็นกันวงวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้ราแล้วเขาก็ คว่ำจัดมาถวายหนูจะลําบากแค่ไหนเราที่ดูการบำเพ็ญของท่านเรื่องความภาเพเปลี่ยนท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเล่นตลบเพราะนั้นเป็นความเปลี่ยนของท่านตลอดเวลาไปด้วยความป๋าสุขอยู่ด้วยความป๋าสุขภาระยาขาดตกบกพร่องไม่สําคัญยิ่งกว่าการภาวนาขอให้อนี้สมบูรณ์เป็นลําดับตลำดานในยาบทต่างๆหนูเป็นความ สนใจนี่เป็นความประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทีท่านจัดนั่นเป็นต้นที่พันเนินงมายากลําบากเป็นไรถ้าเราจะมาเจียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เส้นหนั ง, งพวกเราแต่พ่ออย่างนี้มันตอบบัญญัติเต็มไปด้วยจึงบำบงมเนื่อทั้งหลายให้ามาฉลาดก็าตายได้ตาหมายว่าตายในธรรมหลยทำมันหมอบทำหมอบทําไปเลยไม่ได้นนการระกาิบบอกข่าเรินมาองค์ก็จะไม่เข้าใจ หาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงตัวเองด้วยอุบายต่างๆคําว่าหลีกเรื่องไม่ได้หลีกเรื่องใครคือหลีกเรื่องกิเดชของตัวเองนั่นแหละฉันมากเป็นยังไงให้ชังเกตฉันมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นกลบปลอมตัวเข้ามาอันนี้ปลอมตัวเข้ามาอันนี้แต่เรื่องปลอมตัมีแต่เรื่องลิ้นเรื่องปากเรื่องอัานเรื่องทำไม่มีนี่เรามามุ่งหาอัธธรรมนัทธธรรมจะเลินไหมกองข้ามนี้จะยื่นแต่ปากคุณเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญ อะไรที่เป็นเครื่องปมกูร่างกายที่เป็นการพอบคุจนเดือดลดเป็นเหตุให้นอนใจถึงนั่นจเจออัธมไม่เจะเดินแล้วสมความมุ่งหมายที่มาแล้วเหรือฮะที่จะนาเอ า, าผู้ปฏิบัติธรรมต้องมงผู้หาความสะอาดใจตนคนโง่และจมไปทั้งนั้นแหละไม่ว่าโรคว่าทำจนไปด้วยกันเพราะควาโง่ไม่เคยทำผลให้ดีเลยทางในสอนไว้เสมอเพราะอะจริงต้องสอนเพราะสิ่งอันนี้มีการทับขมจิตใจได้ ร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเมื่อร่างกายมีกําลังมากก็เป็นการที่จนนารณาเรียนร้ทับษะมจิตใจจิตใจก็ก้กาได้ออกถ้าร่างกายมีกําลังน้อยด้านจิตใจภาวนาก็ขยันขึ้นไปโดยลําดับเช่นอย่างท่านอดอาหารานั่นเององค์ไหนที่ท่านรู้นิสยัยในการอดอาหารหวาเป็นประโยชน์ได้รับผมดีท่านก็ถอนั้ท่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นหมานั่นต่างกันอย่างนี้ การถันกันไม่ถันฉันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่อยางนี้เองครูทั้งเจืจต้องรู้ในการแก้กี่เลสการฝึกการทรมานการทํำนักทิ่เลสจึงเป็นความทุกข์ลําบากอยู่ไม่น้อยแต่การต่างสมทีเลสนั้นพอกิ่เลสทำให้เป็นมันเป็นความพอใจทางนั้นแหละแต่การแก้กิ่เลสนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผล จากการแก้ไปบ้างพอสมควรแล้วจนกระทั่งถึงเห็นผลมากพอเดือนดับนั้นจะมีความพอใจสม่วงเติมดับและเพิ่มกำลังมากขึ้นในการแก้ทิเลศในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้่ะนอกจากคนผู้มีพื้นเพยันดีมีความค่ต่ออัตตาทำแล้วก็เพลย์พยายามการส่งเสริมทิเลศกับการแก้ทิเลเนี่้มันมันมีน้ําหนักต่างกันพู้ทีมงคอนพยายาม การแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของอิตทุกเอียบกแต่การส่งสรมกิเลสนี้พยายามหรือพยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่ายเหมือนกับเราเทน้ํ า, นาลงจากบนเขาไหลตเลเอิสดเกิดตัวมม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายแต่ถ้าการประกอบความทักเพียนเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก่็ เพื่อจะรื้อถอนตนให้ท้นจากทุกข้ออานาจของกิเลสกดถี่บังคับออกไปได้โดยลําดับลำดับจึงไม่มีความเสียหายชีวิตของเราก็มีเท่านี้แหละเราได้มาเท่านี้โดยการไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะไปขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนนะคน ม, มีเท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันที่เหนื่อยหายใจเราก็ไม่พอจะขาดพึ่ง เัานี่นจะได้กำไรเพิ่มเติมเพก่ปิโดยลําดักแบบจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ทีวิตเที่ยวไปชิ้นเปล่าๆหาประยชนไม่ได้เลยนั่นมีจํานวนมากมายหลายกองร้อยจะหาสั้งหนึ่งผู้ที่มีชีวิตอันตรายล้านนี้ลูกจะหายาก ม, มันใช่น้อยเหมือนกันร้อยตัวหนึ่งไปยังจะไม่ได้ว่ายถ้านะโดยที่คนจํานวนสี่ล้านในประเทศไทยนั้น วิธีดีศาลคุณนัทธาจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัดทั้งทำทั้ง้งโลกลงศาลนี่มันหายากอย่างมากสัลุสจะปากเนี่ยจำได้จะปากเวย็นไปจนน้ําลายตัวนี้มถอัเป็นการสั่งสมกิเลสแต่ข้อการเย็นงข้อความรุ่งตัวเองเกิดความน้ำพันขึ้นมามาตนรู้ตนหลักเป็นนักป่าแต่เยอะนั่นก็เยอะทั้งทั้งที่โง่เต็มตัวด้วยอำนาจของกิเลสครอบไม่รู้จุดตัวมีมาก แรื่องวาหาสาระภา ย, ยในจิตใจมันหายากเวลานี้เราที่กำลังหาสาระสําคัญให้พันให้แส่จิตใจของเราโดยการสืบผนอบรมชีวิตมีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนั่ก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี้กีวันมันก็หมดไปเท่านั้นวันชีวิตขเราหมดไปเท่านั้นแล้วยังเหลือ อ, อีกกีวันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาทําเพียน ง, งเราที่จะ พยายามให้ได้ตามร่ําเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นภา น, นตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของเป็นสําคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะม่ให้ความยืนยันแน่นอนแต่ตนเองธรรมะชั้นทิพยโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุที่ควรจะรู้ถึงผลที่ควรจะได้รับจะได้รับจะได้รู้ประจกักษ์ตนเอง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 ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพระนันทะเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันพระนันทะตอนออกบวชที่แรกแนะนําสั่งสอนหลายครั้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเ ส, สลียวฉลดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบคุ้มพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในงา น, นที่จะ ที่พ ร, ระองค์จะต้องรับประกันนี้รับรองข้าพระองค์เราตถาคตก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดภานะที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่ขึ้นเป็เอื่นได้แม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ ตรงหน้าเราก็ตามเราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตนเองนั้นก็จักเป็นหัวใจของเราแล้วนี่เป็นท่าประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการกึกว่าประมาะทของพุทธเจ้าแต่อย่างไดจิตต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่จากนั้นเองไม่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าจิ เวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าจิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าจิตถึงในขณะที่เล็กมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจนี่มันปลอมไม่หมดทั้งที่จ่าแล้วที่แรกนั่นเองทางหูทางตาทางจมูกทางเลี้นงทางตาทางตลอดถึงทางใจเองที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูทางตาระทบรนผู้เสียงสิมลตเครื่องสัมผัสนี้ตั้งแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเพราะจิตพาให้ปลอม พอถึงขั้นรู้ด้วยสติปัญญาตัฏฐาความเพียรนั้นตนได้บวบบันนั้นหน้าเขาโดยลำดับ ๆ, ๆมีกําลังขึ้นพภานจิตใจแล้วก็เรื่องความตรอมอย่านั้นกค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคําว่าสัาจธรรมเป็นของจริงทย่างที่ท่านสอนไว้ในตำหนักํานาแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงเพราะที่เียกไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยหนาาแห่งธรรมพาให้จริงน่ะถ้าธรรมพาให้จริงจริงได้ทุกอย่าง กิเลสพาให้ปลอมๆได้ทุกอย่างเพราะกิเลสเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงเหมือนธรรมปลอมจากสาระุณินที่เป็นเรืร่องปลอมไปหมดเมื่อได้ชำระสาสางตนเป็นกิจกาลังความสามารถความจําปลอมนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดๆว่าทุกในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นธรรดาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกในจุดนั้นจุดนั้นเี่ พอมาไปถือมั่นในความทุกขานั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกข์จะทุกข์อาการอะไก็ตา่างรู้ไดชัดในทุ ก, ทก เ, เวทนาสุขเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบได้ชัดวันเป็นทร์สุขตามสภาพของหมังเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉยๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไร แยกแยะให้เห็นทัดตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุเช่นเดียวกับร่างกายคือร่างกายของเราก่อนจะไม่สบายในท่านอาขารต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความม่สบาเใหนเจ็บท้องปวดหัวมีอะไรเป็นสาเหตุให้เจ็บท้องปวดหัวได้งานก็เป็นชาวบ้านสมุทัยก็เรียกว่าสมุทัยคือสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์จากร่างกายมันหนึ่งสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์จากจิตใจมันึ่งคือที่เด็ด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 เป็นสิ่งที่เราจะต้องแย่งแย่เป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นคิดเป็นภัยนี่เป็นฆ่าติวกับตัวเด็งเราจะไปสำคัญ ม, มันงหมายหรือไปยึดไปเหนี่ยเอาสิ่งนั้นมาเป็นตนได้ไ่ายก็ที่เดียวกับไปยึดไปมาเผาตัวเองนั่นแหละสัญญาเนี่ยคันหนังจนกระทั่งจิตเป็นจิตรุนรวนอะไรก็จริงหมดทุกข์จะเคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิด ท่านทั้พระย่าสอนว่าเป็นความจริงเป็นปัจจธรรมมันมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสมุทัยก็จริงมรรคก็จริงมิโรธก็จริงเมื่อจิตจริงเพีดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตตอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมดเนยพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่ถูกในโลกกราแอันนี้จิตแต่ละดวงละดวงของบุคคลแต่ละคนลคนเช่นโลกเกิด ความวุ่นวายและตำหนักสาคัญอย่างที่วันนี้ปนเป็นเพราเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนมัญหาที่ยึดที่เหนียวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหงุดหงิดความันหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจรัษนะเข้าส่งเสริมไปแล้วอันนี้ก็ยิ่งกําเริบเจอสารที่เดิมดับก็เป็นเครื่อ ง, งกนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อ น, นถ้าเป็นโลกองที่เรียบมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็ถูกต้อง ตามเหตุตามผลแม้ทำโลกก็มีความพัฒสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้คือเป็นลายไปอยู่กับใจที่เห็นเหตุเห็นผลเท่านั้นเองเดินเข้ามาถึงตัวของเราเองทํงาไม จ, จิตใจถึงรุ่มร้อนและสัมมาสายวุ่น ว, วายก็เพราะสิเลสมันแสดงตัวมันมีรวดลายต่างๆแสดงออกมาผลของมันก็คือความทุกข์เทาโรจิตใจของเราเขมีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดักไฟ ที่เลธันหาสวามีสติมีปัญญามีความเขียนหนุนหลังเข้าไปแกล้งเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริมล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เรื่งวิเลตอันเป็นของปลอม น, นั่นเข้าห่มหอปิดบังทงนั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเป็นใจนี่เป็นวาระของเราที่จะสั่งสมคุณงามความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อ กดเครื่องตนเองเพื่ทอถอนถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกทั้งนั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นภูมเป็น ไ, ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอ้าวอันนี้เป็เรื่องของความของจริตัะทันทั้งหลายด้วยพิจารณา แต่ขายตัวตัตนเองเคยเหมาทีกว่าเอมาเพียงเท่านี้